เมืองไทยเราเคยมีนกชนิดหนึ่งนะซึ่งแต่ก่อนนี่เห็นได้ง่ายแม้กระทั่งในชนบทแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรียกว่ามองไม่เห็นหาไม่เจอลเะเขาเรียกว่าสูญพันธุ์ไปเลยก็ว่าได้ทั้งที่เป็นสัตว์ที่อดทนมากนะแล้กวก็มีประโยชน์มากด้วยนะคือนกแรงนะ สมัยตมาเด็กๆนี่เวลานั่งรถไปต่างจังหวัดก็จะเห็นแรงเนี่ยบางทีก็บินบา ง, บางทีมาเกาะมั่งเกาะกินซากซากอะไร้างหมาเนี่ยหมาถูกรถชนกลางถนนเนี่ยก็มีแรงนี่มารุมทึงนะจะแต่นี่นี่อย่าว่าแต่ใน ชนบทเลยนะแม้กระทั่งในป่านี่ก็หาดูได้ยากแล้วเพราะเรียกว่าสูญพันกันไปหลายพัน ล, ละแรงในเมืองไทยมีประมาณ5ชนิดพันธุ์นะสที่เป็นหลักๆ3พันธเนี่ยสามชนิดพันธุ์นี่สูญพันไปหมดแล้วแต่ในบางประเทศนี่ก็ยังมีอยู่นะเช่นอินเดียแต่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆ อินเดียเนี่ยในเวลาใครไปเที่ยวเนี่ยหรือไปศักริ์สสังเวชในสถานนอกเราจะเห็นกาแล้วเนี่ยก็จะเห็นนกแร้งแต่นั่นก็ประมาณรักสามสิปีมาแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็มีน้อยลงแล้วนกแร้งเนี่ยในอินเดียเนี่ยมันสำคัญมากเลยแล้วคนไม่ค่อยรู้จนกระทั่งเมื่อเร็ ว, เรวนี้นี่เอง มันรู้ก็ต่อเมื่อมันใกล้ศูนย์พันไปแล้วมันเริ่มศูนย์พันเนี่ยก็ประมาณสัก30ปีมาแล้วนะแล้วก็เร็วมากเลยนะช่วงเวลาไม่ถึง10ปีนี่จากเดิมที่มีประมาณสัก40ล้านตัวเนี่ยศูนย์พันไป 90% เปรซนเรียกว่าหาดูได้ยากแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็มี นักวิชาการเขาไปทำการศึกษาว่าการที่นกแรงเกือบจะสูญพันธุ์เนี่ยในอินเดียเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างแล้วก็พบตัวเลขที่น่าตกใจนะว่าเมื่อนกแรงสูญสูญพันธุ์ในอินเดียเนี่ยหรือเกือบสูญพันธุ์เนี่ยพบว่ามีคนตายเพิ่มขึ้นก็ประมาณประมาณสักปี2043ถึง2048เนี่ย ช่วงลาห้ปีเนี่ยซึ่งนกแร้งนี่มันแทบจะสูญพันไปเลยมีคนตายเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 คนอันนี้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน้ ม, มันเกี่ยวพันกันยังไงนะจีนต้องถามันว่าไอ้นกแร้งนี่มันสูญพันเพราะอะไรนะในอินเดียก็คือแร้งเนี่ยมันชอบกินซากสัตว์และในอินเดียนี้มีซากสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีเยอะมากนะ ไม่ใช่สร้างหมาแต่เป็นสรากวัวคนอินเดียจะ ไ, ไม่กินวัวส่วนใหญ่นะที่เป็นฮินดูพอวัวตายเขาก็ปล่อยทิ้งไว้ตามทุ่งบ้างบางทีก็ตามถนนเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยก็อาจจะเอาวัวสรากวัวนั้นไปทําประโยชน์ถ้าตายทันทีก็เอาไปทําเป็นอาหารหรือแลอาหนังเอากระดูกแต่โคอินเดียปล่อยไว้ นกแร้งก็มากินแล้วก็จัดการอย่างรวดเร็วเพราะมีเยอะแต่ว่าวัวในช่วง 30, 30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมียาชนิดหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ในการแก้โรคอักเสบยาที่ใช้เนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อวัวนะหรือต่อคนนะแต่ว่าเป็นอันตรายต่อแรง้ง พอเลี้ยงวัวแล้วก็ให้ยาแก้แสบชนิดนี้นะแล้วพอวัวตายแรงมันกินยาหรือสารที่ว่านี้ก็เข้าไปสู่ร่างกายของแรงไม่นานก็ทำให้ไตาวายนะร่างกายของแรงนี่มันทนต่อเชื้อโรคนานาชนิดได้นะยิ่งกว่าคนยิ่งกว่าสัตว์ส่วนใหญ่แต่มันไม่ทนต่อยาชนิดนี้นะ พอเจอยาที่ว่านี้เข้าไปนะสะสมมากเข้าตายวายตายก็เลยปรากฏว่าแรงเนี่ยในอินเดียเนี่ยล้มตายกันเป็นเบื่อเลยในเวลาไม่ถึง10ปีเนี่ยศูนย์ผ่นไป 90% ้าายไป 90% ก็เหลือเกือบ0ูนยพันแล้วคราวนี้มันเกิดผลยังไงนะไอ้ซากสัตว์เนี่ยซากวัวเนี่ยที่มันถูกปล่อยทิ้งไว้เนี่ยพอปล่อยทิ้งไว้ไม่มีแรงมาจัดการนะมันก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เชื้อโรคแบคทีเรียที่มันซึมเข้าสู่ดินและน้ําเนี่ยพอมันเข้าสู่ร่างกายคนนะเพราะคนอินเดียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีระบบปะปาที่สระน้ำเนี่ยนะน้ําในบอ่อน้าในลำธารเนี่ยที่มันมีเชื้อปนเปื้อนเนี่ยพอคนใช้เข้าไปคนกินเข้าไปก็ตายเพราะระบบสุขาพิบาลก็ไม่ดีและที่สมัยประการนึ่งคือว่าถึงแม้ไม่มี แรงมาจัดการก็จะมีสัตว์บางชนิดนะเช่นหมาเนี่ยหมาก็มาถึงซากสัตว์พอมีซากสัตว์ซากวัวเยอะนะที่นอนที่นี่ก็มีซากวัวมันก็เลยออกลูกออกหลานกันเยอะแยะพอหลงลูกออกหลานเยอะแยะเนี่ยนะมันก็ถึงเวลาที่มันจะไปกัดกินซากวัวมันก็แย่งกันและ หมาบางตัวมันก็มีเชื้อโรค ส, สุนักบ้าก็ทําให้ไอิซากพืชซากวัวเนี่ยไอ้ไม่ซากพืชซากวัวเนี่ยมันกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคสุนักบ้าทําให้โรคสุนักโรคพิษสุนักบ้ามันระ บ, บาดไปตามหมาต่างๆหมาแถวนั้นอนะ่ะหมาจรจัดและหมาแถวนั้นไงมันก็มันก็ไปกัดคนคนก็ตายเพราะโรคพิษสุนักบ้านะ เันพอไม่มีแรงเนี่ยนะผมพบว่าคนตายเพราะน้ำไม่สะอาดบ้างคนตายเพราะโรคพิษสุนักบ้าบงเป็นแสนเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาเพิ่งค้นพบแล้วเ็าก็มีตัวเลขชี้นะวา่าตั้งแต่มีการใช้ยาชนิดนี้ชื่อเรียกไม่ถูกนะนะมันเป็นยาที่ใช้แก้กเศษบัวเนี่ยตัวเลขของยาชนิด พ, พอใช้กันมากขึ้น มีการซื้อขายกันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็พอดีกับการที่แรงเนี่ยจํานวนลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆมีความสัมพันธ์กันคือใช้ยาตัวนี้มากเท่าไหร่แรงก็ตายมากเท่านั้นวันนี้มันก็เลยชี้ให้เห็นนะว่าแรงเนี่ยนะซึ่งเราเชื่อไม่ค่อยสาคัญเนี่ยมันมันมีความหมายมากนะต่อชีวิตของผู้คนเพราะมันเป็นส่วนสําคัญของสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่อาหารแล้วก็ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศปัญหานี่คล้ายคล้เมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีปัญหานี้ในเมืองนะแต่ว่ามีปัญหานี้ในป่านะแร้งในป่านี้ก็ตายเยอะนะตายเพราะอะไรตายเพราะว่าพรานเนี่ยเวลาจะจับเสือก็จะเอาเหยื่อมาวัวมั่งหมูมั่งส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์เล็กๆกันนะไม่ถึงก็ต้องเป็นวัวแต่เอาแค่เนื้อเนื้อวัวมา แล้วก็ใส่ ย, ยาใส่ ย, ยาเพื่อจะให้เสือมากินยาเบื่อนะแต่เสือไม่ได้มากินนะแรลงมากินก่อนเพราะแรลงนี่จะหมูไวัยเนี่ยอาานย์ที่ได้เสือนะบอกว่าไม่ได้เสือแต่ว่าพอแหลงนี่มันมาแย่งกินอาหารพอแรลงกินยาเบื่อจากเยือนั้นก็เข้าสู่ตัวแรลงแล้วแรลงก็ตายพอแหลงตายเนี่ย ก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์มาจัดการกับสร้างพืช ส, สร้างสัตว์ในป่าซึ่งเป็นธรรมดาไอ้สร้างเหล่านั้นก็เลยเป็นแหล่งเพาะเชือ้อเพาะเชื้อไม่ใช่เป็นอันตรายต่อคนนะเพราะในป่าไม่ค่อยมีคนแต่เป็นอันตรายต่อสัตว์และที่สําคัญคือว่าบางสร้างสัตว์บางอย่างเนี่ยมันก็จะมีหมามากินหมในหมาป่าไอ้หมาพวกที่บางตัวเนี่ยก็มี มีเชื้อนะสุนักบ้าพอมันมารุมถึงสร้างสัตว์เหล่านี้เนี่ยเชื้อมันก็เลยแพร่ระบาดไปตามาสัตว์ต่างๆก็เลยมีสัตว์ล้มตายเพราะโรคพิษสุนักบ้ากันมากไม่รวมถึงว่าน้ำนะที่มันมีเชื้อโรคนะจากสร้างสัตว์เหล่านั้นก็ตายเงิน เพนั้นพอไม่มีพอแรงในป่าเนี่ยศูนย์พันเพราะวิธีเนี่ยวิธีจับเสือแบบมักง่ายนะด้วยการวางยาเบือ่อแต่ว่าแรงนี่รับกรรมไปพอแรงศูนย์พันในป่านี่สัตว์ในป่าเนี่ ย, นา น, ยนานาชนิดก็เริ่มศูนย์หายไปตายเพราะโรคระบาดนี่เมืองไทยนะงั้นตอนนี้เขาเริ่มมีการรณรงค์นำ พยาแรงกลับมาพยาแรงเนี่มันเป็นชนิดหนึ่งนะที่สูญพันธุ์ไปตอนนี้กำลังมีการรณรงค์โดยมูลนิธิสืบนาคเสถียนกําลังรณรงค์พาแรงกลับมาแพร่พันธุในปลายครั้งหนึ่งเพื่อฟื้นฟรบบนรูระบบนิเวศระบบนิเวศนี่มันมีความสำคัญที่ซับซ้อนนะซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยแ้วเราไปทําลายข้อต่อมันเนี่ยเกิดผลกระทบมากเลย อย่างการที่สัตว์จำนวนมาก ต, ตายเพราะเราพิสุจนักบ้าเนี่ยในป่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในป่าทําให้ป่านี่เสียหายไปหมดเลยเพราะนั้นก็เลยเห็นความจําเป็นที่จะต้องเอาแรงกลับมานะสู่ปา่าเมื่อในอินเดียต่อไปคงจะเอาแรงเนี่ยกลับมาสู่เมืองนะเพื่อได้ทําให้้โรคระบาดเนี่ยจากสัตว์สู่คนเนี่ยมันน้อยลงนะ แต่ก็ไม่รู้เขาจะทำยังไงนะเพราะว่าไอ้บัวที่มันมียาที่เป็นอันตรายตอนแรกนี่มันก็มีเยอะมากเนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเราก็พึ่งตระหนักนะว่าทำอะไรลงไปเนี่ยแม้จะหวังดีนะบัว จ, จะไม่ตายนะแต่ว่าคนอาจจะตายแทนนะเมื่อเวลาผ่านไปนา น, า น, าน